บ า, บางคนมาฟังบ่อยภาวนาให้เยอะก็แล้วกันให้เยอะเหมือนมาฟังเทศหลวงพ่อตั้งแต่เรียนกรรมฐานไ ม, ไม่หยุดภาวนาตั้งแต่เด็กเจ็ดขวกนะไปหาครูบาอาจารย์หาท่านพ่อหลีท่านสอนอนาปนาสติหายใจเข้าพดใหายใจออกโทเลย มีหนังสือสวมดมนต์เล่มเล็กๆมาเล่มหนึ่งได้ให้หนังสอม า, ากลับมาบ้านมานั่งสวดนะแล้วก็นั่งสมาธินั่งมาทุกวันนะไม่เลิกหรอกอบางวันเป็นเด็กนักเรียนประถมนะอยู่โรงเรียนวัดพระปราชัยสมัยนั้นบทก็ใกล้จะพังแล้วเป็นบทเก่ามากเลยพระประธานก็เป็นปูนนะเปื่อยๆทั้งวงเลย เขไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรต้องดูแลโบสถ์นั้นไม่มีใครขโมยอะไรก็ เ, เลยเปิดไว้กลางวันบางวันไม่ได้ทุกวัน บ, บางวันก็เล่นเหมือนกันอย่างเด็กส่วนมากก็เข้าไปนั่งสมาธิในโบสถ์ไม่มีใครสั่งนะทําเอง อ, อยากภาวนาฝึกทุกวันนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทฝึกอย่างนั้น ไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์เขี่ยวเข็นบังคับนกทำเอง22ปีขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นคิดอย่างเดียวว่าถ้าภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันคงจะดีไม่รู้หรอกว่ามันดีไปไม่ได้ถ้าเราไม่รู้วิธีจเจริญวิปัสสนานนทำอย่างนั้นได้แต่สมถะหายใจไปแล้วใจสงบมันสว่างสว่างแล้วก็เพลิเพลินพอใจในความสุขความสงบ ความสว่าง ต, ตอนเด็กๆยิ่งแยกว่านั้นนีกพอสว่างมาแล้วนะ่ะตามแสงสว่างออกข้างนอกไปส่งจิตออกนอกออกไปรู้ไปเห็นของข้างนอกของจริงหรือของปลอมเราก็ไม่รู้หรอกจิตอาจจะหลอนขึ้นมาปรุงนิมิตต่างๆขึ้นมาก็ได้แต่ก็กลัวบาปนะกลัวบาปออกไปเห็นอะไรข้างนอกเราก็กลัวไม่อยากทําชั่ว แต่ว่าเดินปัญญาไม่เป็นหรอกหวังอย่างเดียวว่าวันหนึ่งมันจะดีวันหนึ่งจะดีจนอายุ29เไปเจอหลวงปู่ดุลท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่ท่านสอนให้ดูจิตตัวเองไม่มีวันไหนไม่ได้ดูเลยดูทุกวันนะดูทุกวันเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองมาเรื่อยๆค่เข้าใจมากขึ้นมากขึ้น ศา ส, สนาพูดจริงๆไม่ใช่อะไรเป็นความเข้าใจถูกนั่นความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าภาวนาแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือสัมมาทิฏฐิเท่านั้นแหละไม่ได้อะไรหรอกไม่ใช่ว่าได้หูทิพตาทิพได้นน้นได้นี้นั่นไม่ใช่เรื่องแก่นสารสาระในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระนั้นได้สัมมาทิฏฐิได้ความรู้ถูกได้ความเข้าใจถูก เข้าใจถูกอะไรเข้าใจถูกในเรื่องทุกว่าอะไรเป็นทุกหน้าที่ต่อทุกเป็นยังไงเข้าใจถูกในเรื่องสมุทยัยว่าอะไรคือสมุทยัยหน้าที่ต่อสมุทยเป็นยังไงเข้าใจถูกในเรื่องนิโรธแล้วก็รู้กิจต่อนิโรธเข้าใจถูกในเรื่องมรรคทางดําเนินแล้วรู้กิจต่อมรรคเนี่ยตัวส ม, มาทิฏนะิรู้พวกนี้ รู้ไปรู้ไปนะตามรู้ตามดูไปก็เข้าใจปฏิจจสมุปบาทะครัเข้าใจปฏิจจสมุปบาทใครเข้าใจปฏิจจสมุปบาท บ, บ้างยากมือหนักสินี้ไหมสอนมาตั้งหลายปีไม่เข้าใจเลยหอ <c oughs> <c oughs> รอพระโสดาบั น, นเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแต่เข้าใจไม่แจ้งหรอกไม่แจ้งไปแจ้งท่อนท้ายท่อนต้นๆยังไม่แจ้ง ตางอาวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขาราปัจจาวิญญานังสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณปัจจะยานามรู ป, ปังวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปตัวนี้ยังไม่ค่อยแจ้งจะแจ้งตั้งแต่มีนามรูปแล้วของเราตอนนี้มีนามรูปมาแล้วมีนามรูปมาแล้วก็มีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทำไมต้องมีทั้งนามทั้งรูปถึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ตาทางานได้ก็ต้องมีทั้งรูปทั้งนามใช่ไหมตัวลูกตาประสาทตาอันนี้เป็นตัวรูปธรรมความรับรู้ทางตาเป็นตัวนามธรรมนะมีแต่รูปธรรมอย่างเดียวไม่มีนามธรรมก็รับรู้อะไรไม่ได้เพราะตัวที่รับรู้นั้เป็นตัวนามธรรมเป็นตัวรับรู้งั้นนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะ ทำให้อายตนะทำงานได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานได้อายตนะเป็นปัจจัยของผัสสะถ้าไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมกูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจนะก็ไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑธรรมารมไม่ได้นะรู้ไม่ได้นี่ผัสสะมีผัสสะนะั้นทำให้เกิดเวทนาตามหลังผัสสะมารู้สึกไหม มีการกระทบอารมณ์ทางตานะถึงเกิดความรู้สึกนะกระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เกิดความรู้สึกกระทบทางตาเกิดความรู้สึกแบบไหนสุขทุกข์หรือเฉอยเฉ ย, ฉย hmm? สามอย่าง <laughs> น่าสงสารจัง <laughs> ตอนที่ตาเห็นรูปนะเป็นอุเบกขาเวทนามีอันเดียวนะเสร็จแล้วมัน ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะฮะเป็นธรรมารมกระทบใจหรอกเกิดสามอย่างได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเนี่ยมีแต่อุเบกขาเวทนาทางกายแล้วมีอะไรบ้างชักกลัวแล้วไม่กล้าตอบมีสุขมีทุกข์มีสุขมีทุกข์ทางกายเวทนาทางกายมีสุขมีทุกข์เวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น มีอุเบกขาเวทนาทางใจมีครบเลยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอุเบกขานะอาศัยเวทนามีอยู่เนี่ยตัณหาก็เกิดขึ้นพอเวทนาเกิดขึ้นเช่นความสุขเกิดขึ้นนะราคะก็แทรกก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอมตะนะพอความทุกข์แทรกเข้ามานะโทสะก็แทรกพอเวทนาทุกขเวทนาเกิดโทสะก็แทรกนะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น อยากให้หายให้ศูนยะ์ไปความอยากมันตามหลังตัวเวทนามาพอความอยากเกิดขึ้นใจจะเข้าไปยึดถือนะอารมณ์เคยได้ยินคําว่าอุปาทานไหมองค์ธรรมของอฟาทานจริงๆคือตัณหาที่มีกําลังกล้าตัณหาที่รุนแรงไม่ใช่อยากอย่างเดียวแล้วแต่เข้าไปตะครุบเลยอยากแล้วคว้าเอาอารมณ์อะไรนะ เป็นอุปทานเพามีอุปทานกว้ารมมาได้คว่ารูปกว้านามมาได้ด้วยนะใจก็ดิน้นความดิ้นของใจนี่เรียกว่าพบพอใจมันดิ้นรนทํางานนั้นมันจะรู้สึกมีตัวกูขึ้นมาล้มีตัวเราของเรานะหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวเราของเราความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาติความเกิด เพราะฉะั้นถ้าถามว่าความเกิดคืออะไรก็คือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหยิบฉวยออกมามีชาติทันทีที่ไปหยิบฉวยเข้ามาเนี่ยภาระจะเกิดขึ้นทางใจทันทีเลยทุกเกิดขึ้นทันทีความทุกเกิดขึ้นในใจอัตโนมัติเลยถ้าไปหยิบฉวยอารมณ์อันใดอันหนึ่งมายึดถือไว้นะยึดยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละงั้นเราชอบอะไรนะเราก็ทุกข์เพราะอนนั้น รักอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นแหละเกลียดอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่านหนังสือการมณิทวาสิทธินะบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ตอนเราเป็นใบรุ่นเราหลอกค้านมากเลยที่ใดไม่มีรักก่าหากมีทุกข์นี่ยถ้ารักเราสมหวังมีสุขถ้ารักเราวปิดหวังก่าหากมีทุกข์มาหัดภาวนานะภาวนามาตั้งนานเนละเออจริงๆนะ ถ้าใจเราไปรักใครผูกพันกับอะไรนะมันจะมีอิทธิพลเหนือใจเราเราจะเสียอิสรภาพไปแล้วคนเสียอิสรภาพไม่มีความสุขหรอกอย่างเรารักใครสักคนต้องใครเอาใจเขาใช่ไหมเอาใจเขาเขาจะได้ชอบเราบ้างอนะไรเงี้ยเสียอิสรภาพไปไม่มีความสุขจริงอะ่ะเป็นตัวของตัวเองก็ไม่เป็นนะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างบางคนน่าสงสารผู้หญิง สามีมเจ้าชู้อะไรนะโอ้ยเอาใจมันเท่าไหร่เท่าไหร่นะทุกทรมานเท่าไหร่เท่าไหร่นะมันก็ยังเจ้าชูอ้อยูน่นะเห็นรับสงสารจริงๆรู้สึกไม่น่างโง่เลยไปแต่งกับเขาทําไมวะ <c oughs> นง่นที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกนะคือใจเข้าไปยึดไปถืออะไรเข้ามานะก็ทุกเพราะสิ่งนั้นแหละนี่เรามาเรียนนะเรียนไปจนวันนึงเราเห็นแจ้งปฏิจจสุ ป, ปบาท เรารู้เลยความทุกข์ไม่ได้เกิดลอยๆความทุกข์ก็มีเหตุให้เกิดนะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมานี่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนถาวรความเป็นตัวตนนะเกิดจากการที่จิตเข้าไปหยิบไปฉวยไปยึดไปถือขึ้นมาเป็นคลาล ตัวตนแท้จริงที่เป็นอมตะถาวรอนะไรนั้นไม่มีอันนี้เบื้องต้นหัดภาวนานก็จะเห็นปฏิจจสมบัติท่อนปลา ย, ยานี่ท่านต้นเห็นยากนะยากยากมากๆเลยเอาวิชาแท้ๆก็ดูยากยากภาวน า, นานแทบเป็นแทบตายมองอวิชาไม่ออกจะทำลายาวิชาได้มีสิ่งเดียวที่ทำลายาวิชาได้คือวิชา วิชาก็คือความรู้แจ้งอริยสัจเราพอนาไปนะจิตมันก็ปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติไปด้วยปรุงพบที่ดีว่างสว่างบริสุทธิ์รู้สึกดีดีความจริงไม่บริสุทธิ์เราโง่จิตไปปรุงพบที่ละเอียดที่ประณีตขึ้มาเราก็พอใจอยู่ในพบที่ละเอียดที่ประณีตมองไม่ออกนะว่ามันเป็นตัวทุกข์ยังไงปัญญาเราไม่พอ อย่างเราภาวนามาวันหนึ่งนะจิตวางกายวางเวทนาวางสัง ข, ขารไปรวมเข้ามาที่จิตอันเดียวเลยจิตมาลงมันรวมอยู่ที่ตัวผู้รู้อันเดียวนะีพอจิตมาอยู่ที่ตัวผู้รู้อันเดียวเราจะรู้สึกมีความสุขมหาศาลเลยใจมันจะรู้สึกนะว่าถ้าอยู่กับตัวผู้รู้เนี่ยมีความสุขถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะเคลื่อนไปจากตัวผู้รู้นั้นไปยึดสิ่งอื่นอ่ขึ้นมาจิตจะมีความทุกข์ เราภาวนามาถึงตัวนี้เราจะสังวนรักษาตัวผู้รู้อย่างเหนียวแน่นที่สุดเลยเสียดายรักที่สุดเลยตัวเนี้ยพยายามประคับประคองคิดว่าเนี่เป็นที่ฝากเป็นฝากตายเมื่ออาทิตย์สองาทิตย์ก่อนก็มีพระผู้เท่าองค์หนึ่งท่านมา mm hmm. เคยไปเรียนกับหลวงป้าหลายครั้งแล้วท่านก็บอกท่านภาวนามาเห็นตัวผู้รู้เอออยู่ตรงนี้แหละที่ฝากเป็นฝากตายได้ว่าอย่างนี้นะ mm hmm. แต่ท่านไม่รู้จะเดินยังไงต่อแล้ว mm hmm. ท่านบอกมันสุดทางเดิน แต่รู้แต่ว่ากิเลสไม่หมดหรอกแต่สุดทางที่จะเดินต่อแล้วรักษาตัวผู้รู้ไว้งั้นอันนี้ท่านไม่เคยได้ยินหลวงปู่ดุลสอนหลวงพ่อก็เลยเอาคำของหลวงปู่ดุลไปบอกท่านอีกทีพบผู้รู้ต้องทําลายผู้รู้อีกจริงพบผู้รู้ทําลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตจงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตัวผู้รู้เป็นจิตที่เสเวยพบอีกชนิดหนึ่งพบของผู้รู้นั่นเองพบที่ดีที่สุดพบที่วิเศษที่สุดในสามแดนโลกธาตุ หาพบอะไรดีถ้าพบของผู้รู้ไม่มีเลยเหมือนกับไม่มีกิเลสเหมือนนะเหมือนเหมือนไม่มีกิเลสมีอันเดียวไม่รมู้ไม่รู้ว่าทำไมพบนี้ยังดำรงอยู่ไม่รู้ว่าจะทำลายพบนี้ไปได้ยังไงอย่างได้ยินครูบาอาจารย์สอนบอกต้องทำลายตัวผู้รู้อีกทีไม่รู้จะทำลายยังไงบางคนพอได้ยินว่าให้ทำลายผู้รู้นะตัวผู้รู้ยังไม่ค่อยจะมีเลยมีแต่ตัวผู้หลงนะหาทางทาลายผู้รู้เนะี่ย กลว่าสติแตกผมพ่อเคยเจอนะตอนนั้นอยู่เมืองการมีพระองค์หนึ่งท่านเดินมาบอกท่านเป็นอะไรผมทําลายผู้รู้ไปแล้วอ๋อเหลือแต่ผู้หลงทําลายผู้รู้ไปแล้วเหลือแต่ผู้หลงนะบอกท่านสติแตกแล้วหายใจไว้หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกใหม่กลับมารู้สึกตัวให้ได้ก็สติแตกทําลายผู้รู้ได้นะนะจิตต้องรู้แจ้งอริยสัจ ไม่มีทางอื่นเลยจิตจะรู้แจ้งอริยสัจได้จริงๆนะต้องเห็นเลยตัวผู้รู้นั่นแหละตัวทุกข์ไม่ใช่สงวนรักษาตัวผู้รู้ไว้เป็นตัวสุขขันธ์อื่นๆเป็นทุกข์หมดเลยยกเว้นตัวผู้รู้เป็นตัวสุขเนี่ยคือไม่รู้แจ้งอริยสัจถ้ารู้แจ้งอริยสัจรู้แจ้งในตัวทุกข์นะขันธ์ห้าทั้งหมดเป็นทุกข์นะไม่ใช่ขันธ์ห้าไม่เป็นทุกข์ไปสงวนรักษาเอาตัวผู้รู้ประคับประคองตัวผู้รู้เอาไว้นะ คนก็มุ่งมาตรงนี้เลยนะมุ่งประคองตัวผู้รู้เอาไว้ไปพปรมาโลกนะไม่ไปนิพพานออกเป็นพบอีกภพหนึ่งพบที่มีความสุขพบที่มีความสงบพบที่เหมือนไม่ปรุงไม่แต่งความจริงปรุงความไม่ปรุงอะไรปลุงแต่งความไม่ปรุงอะไรปรุงว่างๆ<ม>ก็ยังปรุงอยู่นั่นแหละแต่เมื่อสติปัญญามันชํามแรกเข้ามานะมันมาซักฟอกอยู่ที่ตัวผู้รู้นี่อีกทิง เห็นจริงแนละตัวผู้รู้ gadget, นี่ตัวทุกข์ะนะบางคนเห็นตัวผู้รู้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นตัวผู้รู้นี่เป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นทนอยู่ในภาวะอันแดนหนึ่งไม่ได้ตัวผู้รู้เองก็ทนอยู่ไม่ได้บางคนเห็นตัวผู้รู้เป็นอนัตตาเป็นทุกข์เพราอมเป็นอนัตตาบางคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ รวความก็คือเห็นว่าตัวผู้รู้เนี่ยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของถาวร น, นิรันดร์มันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้เนี่ถ้าเห็นตัวผู้รู้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยฝากเป็นฝากตายไม่ได้นะถึงจะยอมปล่อยเนี่ยกว่าจะภาวนามาถึงตรงนี้นะต้องสู้กันปางตายอต้องเด่นเดี่ยวมากๆเลยไม่งั้นจะหลง ตอนนั้นหลวงพ่อเรียนยากลงปูดด่ดูนนะวันหนึ่งท่านก็เลอๆให้ฟังเนี่ยบอกว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่มาตายอยู่ตรงนี้เองไม่สามารถฝ่าด่านของตัวผู้รู้นี้ไปได้แลท่านก็สอนให้ทำลายผู้รู้แต่ท่านไม่บอกพิธีท่านก็ถามว่าเข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจเลยครับแต่จะจำไว้ก่อนท่านบอกเออจำไว้นะเราก็ได้แต่จำ อีกวันหนึ่งไปกราบหลวงพ่อพุธฐานิโยวัดป่าสารวันหลวงพ่อพุธถามไงนักปฏิบัติราบนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ทําลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธ ท, ท่านก็บอกว่าเออท่านก็ไปหาหลวงปู่มาก่อนหลวงพ่อเนี่ยเจวัน หลวงปู่ก็สอนท่านนะบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ทําลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าตัวงนี้เป็นสุดยอดของกรรมฐานแนละ้วเป็นด่านสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องทําลายไปให้ได้ท่านขยายความให้หลวงพ่อฟังนี้จําท่านมาอีกทีบอกพบผู้รู้ทําลายผู้รู้หมายถึงอะไรพบจิตทําลายจิตหมายถึงอะไร หมายถึงไม่ยึดถือผู้รู้ไม่ยึดถือจิตปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางจิตนั่นเองนี่ท่านบอกอย่างนี้เส็จแล้วท่านก็เมตตานะท่านบอกคุณกับอาตมามาทํากติกากันใครทําลายได้ก่อนให้มาบอกกันความจริงท่านต้องทําลายก่อนเราแน่ๆแล้วเราภาวนาหลอยถ้วยตายไม่ได้เรื่องหรอกแต่ว่าเปิดเราไปเรียนกับหลวงปู่ ด, ดุลหลวงปู่ ด, ดุล น, นี่รุ่นาวุโสว่าท่าน พอเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเนี่ยอยู่ๆหลวงพ่อพุธจะมาบอกว่าเอ้ยอย่าไปเรียนกับหลวงปู่เลยมาเรียนกับอาตมาเหอะท่านพูดไม่ได้นะเสียมารยาทอย่างร้ายแรงเลยไปเรียกลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์อื่นมาเป็นลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยไม่ได้อย่าว่าแต่เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เลยขนาดลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ผู้น้อยนะอาจารย์ที่ใหญ่กว่าอยู่ๆยังไม่เรียกเลยเป็นจริยวัตรเป็นมารยาทเหมือนอย่าง เคยอ่านประวัติอาจารย์วิริยังไหมอาจารย์วิริยังเป็นเนนนะเป็นลูกศิษย์อาจารย์กรงมาอาจารย์กรงมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์มั่นอาจารย์มั่นอยากได้ตัวอาจารย์วิริยังไว้ก็ไม่กล้าชวนตรงๆนะอาจารย์วิริยังอยากไปอยู่กับอาจารย์มั่นนะอาจารย์มั่นท่านยังถามเลยว่าไปบอกอาจารย์กรุงมายังอาจารย์ไม่อนุญาตท่านก็เรียกไม่ได้นะเสียมารยาทขนาดลูกศิษย์ของลูกศิษย์ด้วยซ้ำไป งั้นไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเก่งนะที่หลวงพ่อพุทธท่านมาบอกว่าใครทําลายได้ก่อนให้มาบอกกันเป็นอุบายของท่านเป็นมารยาทอันงดงามของท่านหนึงคือท่านท่านบอกว่า เ, เดี๋ยวเราบอกให้นะเหมือนไปเอ๊ะทาไมหลวงปู่ดูลยังไม่บอกหลวงพ่อพุทธแน่แค่ไหนมาบอกอะไรเงี้ยงั้นท่านฉลาดแหลมคมครูบาอจารย์น่านับถือจริงๆหมดจดนะไม่ได้อยากได้ลูกศิษย์คนอื่นเขา นี่หลวงพ่อก็ภาวนามาอีกนานนะนานเป็นสิปีเลยต่หลังๆไม่เจอหลวงพ่อพุทธนะท่านเป็นมะเร็งท่านก็หลบญาณโยมรับแขกทุกวันนะเทศทุกวันสมัยท่านแข็งแรงท่านเทศทุกวันนะเทศทั้งวันคนมาหาทั้งวันเลยคนนี้เข้าคนนี้ออกเวียนมาเป็นทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะท่านก็พูดไปทั้งวันนะสุดก็ไม่ไหวกล่องเสียงอักเสบแล้วอักเสบอีก เป็นมาเร็งสุดท้ายท่านก็หลบหลบไปอยู่วัดโน้นวัดนี้หาตัวไม่เจอไม่เจอท่านหลายปีครั้งสุดท้ายที่เจอท่านท่านไปนเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อทำงานองค์การโทรศัพท์้อท่านเทศเสร็จเขาไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติจริงๆมีไม่มากหรอกท่านจาได้ท่านบอก หลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยนี่ไปอ้อนท่านนะนี่ไปบอกท่านนะผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยแต่นั่หลวงปู่ดูลนก็ไม่อยู่แล้วด้วยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะัสิ้นไปเกือบหมดละ้ะท่านก็สอนให้เลยนะบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่นั้นเติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองนี่ท่านสอนอย่างนี้ งั้นหน้านที่เราก็ทําให้ลูกไก่นี้เติบโตให้เต็มที่ฟังแค่นี้เราก็โอ้อยายนี้แสดงว่าท่านคงทำลายเปลือกออกมาแล้วเพราท่านพูดออกมาห้าวหาญมากเลยงั้นการที่เราจะปล่อยวางจิตซึ่งเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยจิตมันปล่อยวางตัวมันเองไม่ใช่เราปล่อยวางได้นะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตมันเป็นของมันเองแต่ว่าเราต้องเลี้ยงไข่ลูกนี้ไว้ให้ดี เลี้ยงไม่ดีมันแตกไปซะก่อนมันไม่งอกไม่โ ต, ตามาเป็นลูกไก่เจอะเปลือกออกมาเองเราต้องเลี้ยงมันด้วยอะไรรู้ไหมเลี้ยงมันด้วยศีลสมาธิปัญญานะเลี้ยงมันทุกวันด้วยศีลสมาธิปัญญาอบรมจิตของเราไปด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละมีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันเราจะได้ศีลอัตโนมัติขึ้นมา จิตไหลไปคิดจิตไหลไปปรุงไปแต่งรู้ทันความไหลไปความฟุ้งไปของจิตมีสติรู้ทันความฟุ้งของจิตจิตจะตั้งมั่นได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมาไม่ต้องบังคับให้สงบสงบเองเลยพอจิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่อยู่เฉยเนี่ยตัวเนี้ยพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเฉยเลยส่วนใหญ่พอใจอยู่ตรงนี้แล้วฝากเป็นฝากตายตรงนี้แล้วท่านไม่ให้อยู่เฉยตรงนี้นะ ต้องพิจารณาแยกธาตุแยกขันต์ต่อไปอีกเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหล ะ, ละมาดูกายมันทํางานมาดูจิตมันทํางานไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เฉยอยู่แค่นั้นนะอย่าวนั้นไม่ไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมาสงบอย่างเดียวสบายอย่างเดียวแต่โง่โง่ง อ, งอยู่อย่างนั้นต้องมาเดินปัญญาเพราะน้นพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสติระลึกรู้ลงในกาย จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ถลําลงไปเพ่งกายไม่ไปคิดเรื่องกายในในขั้นการภาวนาที่เป็นวิปัสสนาแท้ๆนะมันเลยขั้นคิดไปแต่บางคนเบื้องต้นก็ต้องคิดนําก่อนงั้นจิตมันไม่ยอมมันจะเป็นผู้รู้แล้วนิ่งๆอยู่เฉยๆสงบอยู่เฉยๆไม่ยอมค้นคว้าพิจารณากายพิจารณาใจไม่ยอมดูไตรลักษณ์ของกายของใจถ้ามันไม่ดูไตรลักษณ์ของกายของใจไม่เกิดปัญญาไม่เกิดปัญญาวิมุติจะไม่เกิดมรรคนิพพานไม่เกิด เราฝึกนะจนจิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นรักษาศีลไว้เป็นพื้นฐานฝึกให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบโง่ๆเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคล้ายๆมันแยกตัวออกมาจากสิ่งแวดล้อมเช่นร่างกายนีมันจะอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันจะแยกกันออกมาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่ง แยกกันออกมาเนี่ยต้องฝึกแยกอย่างนี้นะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากดูอยู่ห่างๆจะมีสภาวะดูอยู่ห่างๆเกิดขึ้นไม่ดูแล้วสลําลงไปคลุกวงในเหมือนเราดูฟุตบอลดูมวยนะดูอยู่นอกเวทีดูอยู่นอกสนามหรือดูเขาแข่งเรือเราอยู่บนบกเราไม่ลงไปอยู่ในน้ํำทําตัวเป็นคนดูอยู่ห่างๆเป็นคนวงนอกดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานไป ดูกูศนทำงานดูอกูศลทำงานไปดูสุขทำงานดูทุกข์ทำงานไปดูการทำงานของปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมาไปเรื่อยใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูใจอยู่ต่างหากจะเห็นร่างกายอยู่ห่างๆความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ห่างๆากูสนอกูศลอยู่ห่างๆใจอยู่ต่างหากนะไม่เคลื่อนไหวไม่ไหลไม่ไหลเข้าไปดูไม่ถลําลงไปดู อย่างนี้แหละนะนะเรามีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรม ท, ที่กําลังปรากฏมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ปัญญาจะเกิดโดยอัตโนมัติเลยปัญญาจะเกิดอัตโนมัตินะั้นจะเห็นเลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นะั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกขทางกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกความเฉยเฉยทางใจ แม้เวทนาทางกายของพ่อจะบอกความสุขความทุกข์ใช่พอถึงใจมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆนะก็สักแต่ว่าเวทนานะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันอยู่ห่างๆนะอย่างพวกเราลองซ้อมดูเวลาไม่สบายเวลาเกิดเจ็บปวดอะไรมากๆนะลองค่อยๆหัดแนะนาลองไปทําฟันดูทําฟันนะมันเจ็บนะ เ, ออเลือกที่หมอมือหนักๆ เราจะได้ฝึกกรรมาฐานหลวงพ่อฝึกแล้วหลวงพ่อไม่ต้องหันแล้วอย่างนี้ <laughs> เราจะเรื่องหมอมือเบาเบาพวกเราเรื่องหมอมือหนักหนักไปนะให้เขาทําฟันขูดเสียงมันนะบาดหัวใจดีเนาะเสียงมันแกรกแรกร๊ฝฟังแล้วเสียวแค่หลวงพ่อพูดอย่างบางคนทําหน้าสยองแนละ้วค่อยๆดูไปฟันมันก็อยู่เฉยเฉยเงือกมันก็อยู่เฉยเฉยใช่ไหมความรู้สึกมันแทรกเข้ามา ตัวเวทนาไม่ใช่เหงือกไม่ใช่ฟันนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตเป็นคนดูถ้าฝึกออกมาได้นะเห็นเลยเวทนานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคราวนี้มันความเจ็บความปวดมีอยู่นะแต่ไม่ใช่ตัวเราแล้วจะหัดแยกเวทนาได้ความเจ็บความปวดไม่ใช่ตัวเราหรอกหรือเวลาหมอฉีดยานะลองค่อยรู้สึกนะใจเป็นแค่คนดูนะอย่าหมดตจอินอุ้ยวาดเสียวบาดเสียวอะไรเงี้ยอย่างนี้ดูไม่รู้เรื่อง ทำใจสบายๆดูเขาฉีดยาจะเห็นเลยร่างกายไม่ได้บ่นอะไรเลยนะใจมันกลัวอย่างเงี้ยแล้วก็ความเจ็บมันอยู่ที่แขนใช่ไความเจ็บมันไม่ใช่ใจเราใจเราไปรู้มันเข้านี่หัดอย่างนี้นะควรซ้อมนะทุกคนวันหนึ่งไม่แน่หรอกเราอาจจะต้องเจอเวทนาที่รุนแรงแล้วก็ตายใครจะรู้ซ้อมมาไว้เวลาตายจะได้ไม่เสียท่า ไม่ใช่ชั้นตายอีกต่อไปแล้วเวลาจะตายจะเห็นเลร่างกายมันตายนะไม่ใช่ชั้นตายความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นจะไม่ทําให้จิตทุรนทุรายเงั้นถ้าไปเกิดอีกก็จะไม่เกิดในอบายภูมิไม่เกิดด้วยความมีสติด้วยมีปัญญาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ถ้าบารมีพอจะนิพพานตอนนั้นเลยบารมีไม่พอไปเกิดอีกก็ไปภาวนาต่อมีสติสมาธิปัญญาต่อ แล้วลองหัดดูนะเวลาความเจ็บความปวดเกิดขึ้นผู้หญิงบางคนมีรอบเดือนปวดท้องอย่าเพิ่งกินยานะลองดูร่างกายก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อีกส่วนหนึ่งลองหัดแยกไปอย่างนี้นะแยกไว้เผื่อเวลาจะตายจริงๆเจ็บปวดมาก bon e ๆจริงๆจะเห็นความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตไม่เกี่ยวจิตไม่ทุกร้อนไม่ทุรนทุรายนะไปสุคติเลย อาจจะได้มากได้ผลหรือว่าถึงพระนิพพานเลยก็ไม่แน่เหมือนกันนะแล้วแต่บุญบารมีเนี่ยเพราะงั้นการเดินปัญญาเนี่ยสำคัญมากนีถ้าเราไม่ได้เดินปัญญานะไม่มีวันได้มากผลนิพพานจะเดินปัญญาต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจรู้ด้วยจิตที่สรงสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงพ่อถึงชอบสอนให้พวกเราท่องละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละคือจิตที่ทร ง, งทสมาธิอยู่ไม่ใช่จิตที่สงบอย่างเดียวนะจิตสงบมันขี้เกียจมันไม่ดูกายไม่ดูใจย่งเอาแต่ความสุขความสงบใช้ไม่ได้หรอกต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นแล้วไม่ขี้เกียจที่คลานสติร ะ, ะลึกอยู่ในกายสติระลึกรู้อยู่ในใจดูมันทํางานไปด้วยจนเห็นเลยธาตุขันแต่ลานติลานไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูจนพอนะ่ะวางวางเพราะมันเองน่ย อาต่อไปไปทานข้าวได้นิมนต์เลยครับนิมนต์